ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเหลายแต่ระโปธิยานกำลังนำเสนอสมาสติคือการตั้งสติระลึกในทางที่ชอบมาถึงช่วงที่เรียกว่าขันตะ พ, ะพะคือหมวดที่ว่าด้วยขันทั้งห้าประการคือในแง่ของความเป็นจริงถ้าเรามองตัวตนของเราที่ จะมีการสมมติปัญญัติกันขึ้นก็จพะพบว่ามันก็คือกองของขันทั้งหาาประการนั่นเองที่ทรงใช้คำเต็มที่ว่ารูปประขันคือกองแห่งรูปเวทนาขันคือกองแห่งเวทนาสัญญาขันคือกองแห่งสัญญาสังขารขันก็คือกองแห่งสังขารวิญญาณขันก็คือกองแห่งวิญญาณ <c oughs> มหาสติปฐานสูตรนั้นทรงสอนให้มองขันห้าแต่ละข้อก็ในสามสี่ช่วงด้วยกันในข้อความว่าบุคคลพิสูจ์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสุจยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันห้า ตุกคอิกษตทั้งหลายก็อย่างไรพิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือประธานาคันห้าตุกคอนพิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมอินัย น, นี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าอิดังรูปังอย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดขึ้นของรูปอย่างนี้ความดับไปของรูปก็แสดงไว้หมองสามตอน รูปก็คือรูปที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนที่กล่าวโดยสรุปก็คือชีวิตแต่และชีวิตที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็วิญญาณประก่าวโดยการแยกย่อยมันก็อาจจะแยกเป็นธาตุหกธาตุสี่แยกเป็นธาตุสี่แยกเป็นธาตุห้าแยกเป็นธาตุหกก็ได้แยกเป็นธาตุสี่ก็คือดินน้ำลมไฟ แยกเป็นธาตุาก็คือเพิ่มอากาศธาตุเข้าไปแยกเป็นธาตุกก็คือเพิ่มมิญญาธาตุซึ่งเป็นตัวชีวิตหรือจิตเข้าไปแต่ว่าในส่วนของรูปก็เอาเฉพาะสมเฉพาะห้าอย่างคือดินน้ำลมฝฟยอากาศโดยเห็นว่าการมองแยกนั้นจะมองในแนวใดก็ได้ดังที่ได้พูดไว้ในกายานุปัสสนาสติปฐาน คือแยกกายออกเป็นอาการสามสิบสองแยกกายออกเป็นธาตุสี่แยกกายออกเป็นซากศพซึ่งปรากฏอยู่ในป่าชาเก้าประเภทหรือแม้แต่แยกกายออกเป็นลมหายใจเข้าออกหรือ แ, แยกกาย เ, าเป็นเรียบบอยู่เดินนั่งนงอนตัวแยกเป็นเรียบบท ย, ย, ย่อยๆต่างๆโดยมีสติระลึกรู้เท่าทันไปตามเรียาบทเหล่านั้น แต่อย่างล้วนแล้วจะเป็นการศึกษาเรื่องรูปไปกันแต่รูปที่นำเสนอไว้ในวันก่อนนั้นเป็นการแยกเป็นมหาภูต ร, รูปสี่คดิ น, น้ำลงไฟและแยกเป็นอุปาทายรูปยี่สิบสี่รวมแล้วเป็นรูปยี่สิบแปดตามนัยยะที่ท่านจำแนกแสดงเอาไว้คือเน้นไปเฉพาะส่วนรูปโดยเฉพาะ ทีนี้ความดับไปของรูปเนี่ยความเกิดขึ้นของรูปก่อนโดยจะนว่ารูปเนี่ยมันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นมาจากอาวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็กรรมตามกระบวนการของปัจจัยการก็คืออวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดปัญญาณปัญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูป ในตัวนามารูปเนี่ยตัวรูปมันก็เป็นผลมาจากไข่ที่สเปิร์มกับไข่ที่มาประสมกันที่พระเจ้าทรงใช้คำว่ามารดามีระดูมารดาบิดาร่วมกันตัวนี้ก็ก่อให้เกิดเป็นรูปโดยการประสมกันระหว่างสเปิร์มกับไข่แต่ว่า ถ้าเพียงเท่านั้นการเป็นชีวิตมันก็มีไม่ได้มันจะต้องมีการทัพโพอุปติโตคือคันพักโพหรือวิญญาณเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยฉันเป็ น, ป น, ปนองค์ประกอบร่วมของวิชาสังขารวิญญาณก็ออกมาถือปฏิสนธิในส่วนผสมของรูปปันนบนรูปปั้นก็ปรากฏแสดงอาการดังกล่าวมา ทีนี้มันก็ดํารงอยู่ได้โดยอาหารอาหารก็ทั้งประจําแน่สแสดงไว้เป็นสี่ประเภทประเภทแรกคือเกาวลินกาลอาหารอาหารก็คือคําเข้าอาหารที่เราเคี้ยวเรากินเราลิ้ ม, เ ร, มเราชิมเข้าไปนะจะเป็นน้ําหรือว่าเป็นก้อนหรือเป็นเป็นยังไงก็ตามที่เราเคี้ยวเราดื่มเราลิ้มเราชิมเข้าไป แล้วก็บิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณโดย ก, การเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรถตถูกต้องจดนร้อนนอนแข็งมันก็เกิดความรู้สึกยินดียินร้ายแล้วผัสสะอาหารคือการกระทบกันของอายตนาภายในภายนอกแล้วมะโนสัญเจตอนาอาหารคือเจตจานงความมุ่งมั่นที่จะเป็นอย่า ง, งานั้นอย่างนี้ที่จะทำอย่า ง, งานั้นอย่างนี้ที่จะไปที่นั้นที่นี้ ที่จะให้ประสบผลอย่างนั้นอย่างนี้จะตลอดถึงไปบังเกิดในที่นั้นที่นี้เป็นต้นเพราะในกลับใดที่พวกนี้ยังดำรงอยู่การดำรงอยู่ของรูปก็ดำรงอยู่แต่อย่าลืมเมื่อรูปร่างกายเนี่ยมันถูกหล่อเลี้ยงดลลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกเป็นตัวปนปลื้อหล่อเลี้ยงรูปอยู่แต่ลมหายใจเข้าออกยังดับลงอยู่รูปก็ดำรงอยู่แต่ลมหายใจก็หยุด ก็เรียกว่าวิญญาณดับอายุดับไออุ่นดับลมหายใจก็ดับคือดับไปด้วยกันก็เรียกว่าจริงๆก็ไม่ก่อนไม่หลังนะครแต่วิญญาณต้องดับไปก่อนลมหายใจจึงดับอายุจึงดับแล้วก็ไออุ่นก็ดับเป็นอาการต่อเนื่องแต่ายๆกับถ้าเรานั่งดูคนตายเนี่ยเราจะเห็นว่าการดับในลักษณะอย่างนั้นแต่พอดีตอนวิญญาณดับเนี่ยเราไม่เห็น เราไปเห็นตอนที่วิญญาณมันดับไปแล้วเอามือไปรอดูที่จมูกหรือจับชีพจรดูก็เห็นว่าไม่เต้นก็แสดงลมหายใจกระดับมายุก็ขาดไอุ่นที่มีอยู่ในร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนสภาพนั่นก็คือความดับแย่งรูปแต่ว่าดับรูปที่เป็นเนื้อหาสาระเนี่ย มันคือต้องดับความยึดมั่นถือมั่นในรูปเพราะถ้ายังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่นี่รูปเหล่านั้นแม้ดับไปแล้วนี่ใจก็ยังผูกพันอยู่ใกล้ๆก็สามีพัญญาตายไปตั้งนานแล้วแต่คนที่อยู่ข้างหลังโยยาอะไรอยู่ก็แสดงว่าในความรู้สึกนึกคิดของท่านเหล่านั้นรูปนั้นยังไม่ดับจะมีอำนาจะมีปีเพรเอจิตท่านอยู่ ดังนั้นถ้าดึงมองไปในแนวของการดับตันหาอุปาทานที่มีอยู่ในรูปที่เรเรียกว่าตันหายาหะคือความยึดถือเรื่องนั้นกอนตันหาว่ารูปนั้นเป็นของเรารูปนั้นเป็นเราหรือเราเป็นรูปรูปนั้นเป็นตัวเป็นตนของเราหมายความว่าถอนความรู้สึกอย่างนั้นออกมาถอนตันหาออกมาจากรูปรูปก็คงเป็นรูปน่ะนะ ถอนตัญหาออกมาจากเวทนาสัญญาสังขารมิญญาถอนมาน้าออกมาจากขันห้าถอนทิฏฐิออกมาจากขันห้าขันห้าก็คงเป็นขันห้าอยู่การแตกดับมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่ว่าถ้าเรายังยึดถืออยู่เนี่ยชื่อว่าไม่ดับจริงเพราะว่าจิตใจยังโหยหายังอนไรยังคิดถึงก็ยังหาอยู่ อย่างนี้โลกก น, นิตเขาบอกว่ารักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมออยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องจังกันบอแลเหลียวตาต่อกันนามบนขอบฟ้ามา ป, ป้องป่าไม้มาปั่นใจมันยังไม่ยอมแม้ว่ารูปนั้นจะดับไปแล้วจะอยู่ห่างไกลยังคนอราสี่โลกเชนญญาตพี่น้องเราอยู่สหรัฐอเมริกาในคนละสี่โลกกันแต่ว่าจิตใจก็ยังโวยห า, าอะไรยังคิดถึงกันหนึ่งหากันดู ยังโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกันได้อยู่วันการดับของรูปจึงขึ้นขึ้นอยู่กับการดับต่างหัวปาทานแล้วเมื่อดับแล้วเนี่ยแม่รูปจะมีอยู่ก็ไม่ยึดมั่นถรือมั่นในรูปตัวนั้นแต่พอ ร, รูปดับเนี่ยเป็นการดับอย่างสิ้นเชิงแล้วการที่ใจคนไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในรูปได้เนี่ยก็แสดงว่ามันได้ทําลายอาวิชชาออกไปจากจิตใจแล้ว ไม่มีความรู้สึกว่ารูปของเราด้วยเราเป็นรูปหรือรูปเป็นตัวเป็นตนของเราการดับอย่างสิ้นเชิงก็คือการดับของพระเจ้าทั้งหลายที่ดับตระหนักประทานเพราะตับในตระหนักประทานยังมีอยู่เนี่ยรูปนี้ดับมันไปถือรูปอื่นรูปนี้ดับไปถือรูปอื่นรูปนี้ดับไปถือรูปอื่นมันสร้างรูปได้นะฮะ เราวิชาอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารังขารเป็นปัจจัยเกิดปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเนี่ยคนนี้มันตามไปสร้างรูปอื่นได้ก็กลายเป็นพวบเป็นชาติเป็นสังสารวัตรที่มีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่จนหาจุดจบไม่ได้ในข้อต่อไปก็สอนที่เวทนาโดยโครงสร้างเดิมนะฮะโครงสร้างเดิมคือใช้สามประโยค เวทนาอิดังเวทนาอิติเวทนานะฮะเวดังนี้เวทนาเวทนานั้นแปลว่าความสวยอารมณ์ก็ที่จริงก็คือจิตทําหน้าที่เคี่ยวกินอารมณ์นั่นเองแต่ว่าตรงนี้ท่นานแปลท่านใช้ราชาศัพท์ท่านแปลกันมาตั้งแต่โบราณนะว่าจิตสวยอารมณ์แต่ที่จริงจิตก็เคี้ยวกินอารมณ์มเอามาเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุข ไล้ออกมาเป็นเวทนาห้าก็ได้เป็นเวทนาหกก็ได้เวทนาเก้าก็ได้สิบแปก็ได้นะฮะสามสิบสองก็ได้จนถึงเวทนาร้อยแดแต่เวทนานี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรจากอญญายตนะภายในภายนอกมาประจุ ก, กันคือตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูมกดมกลิ่นลิ้มลิ้มรสกายถูกต้องย็นอ น, นอนแข็ง ใจเนียวนึกตึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายมันก็อให้เกิดสิง่งที่เราเรียกวิญญาณที่อาศัยยานตาภายในยานตาภายนอกวิญญาณเนี่ยมันกลายเป็นสัมผัสคือการกระทบกันของยานตาภายในภายนอกวิญญาณสัมผัสก็การกระทบกันอาจจะคูสัมผัสโซตาสัมผัสคือสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจ ถามมันสัมผัสอะไรสัมผัสรูปเวทนาตัณหาตังขามิญญาณมันก็ปนอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็มีแค่หอย่างแต่นั้นเองแต่หกอย่างนี้ก็ยุ่งน่าดูนะฮไม่สงบเลยเพราะว่าวนวายอยู่กับพวกเยตนาภายในภายนอกเนี่ยทีนี้เมื่อเกิดสัมผัสแล้วต่อมาก็เกิดเวทนาคือใจจะไปกำหนดอารมณ์ ถ้าความลองสังเกตว่าสิ่งที่เราสัมผัสครั้งแรกเนี่ยเราจะมีวิชาเราจะไม่รู้ไม่รู้จึงต้องเกิดความยินดียินร้ายไม่เกิดความยิน ด, ดียินร้า ย, ดดยาก็ไม่มีสุขมีทุกข์อะไรแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมีการศึกษาเรียนรู้มีการสะสมข้อมูลมีความเข้าใจในสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นในสุดมันก็เกิดเป็นความรู้ขึ้นพอรู้แล้วมันจะจําเอาไว้ทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีของสิ่งเหลนะ่นั้น วันรูปคนบางคนสิ่งบางสิ่งอะไรบางอย่างเนี่ยที่เราเคยสัมผัสมาคือเคยจํามาพอเห็นคนบางคนเนี่ยบางทีเราดีใจดีใจมากๆวิ่งก็ไปหาเลยเห็นคนบางคนเนี่ยเห็นปั๊บเราไม่ชอบปุ๊บทันทีเลยแล้วก็บางทีก็วิ่งเข้าใส่เหมือนกันจะวิ่งก็ไปโจมต่อยกันอย่างศัตูคู่อาฆาดกันเนี่ยพอเห็นก็วิ่งรี่ก็ต่อสู้กัน นั่นก็แสดงว่ามันเกิดจากเวทนากับสัญญาคือความจำํจำจาความดีของคนเหล่านั้นเอาไว้จําความชั่วของคนเหล่านั้นเอาไว้เราเคยสัมผัสความดีความชั่วของคนเหล่านั้นจนเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาทั้งหมดนั่นก็จําไว้ภายในใจตัวเนี้ยเขาเรียกว่าใจมันไปนจําอารมณ์มันก่อนไปอภิปรายเชิงวิชาการกับ การจัดการพคันผู้ชั้นผู้ใหญ่ที่กระทรวงศึกษาธิการกับกพนะฮะที่เมืองนนแ์เขก็ไปตั้งกอสังเกตและก็ฟังว่าผู้ฟังเป็นผู้ระดับผู้มวยการการาศารึกษาอุสสปชก็บอกเขาว่าเวลาเนี้ยเรากำลังถกเถียงเรื่องเด็กท่องไม่ท่องจำไม่จำเนี่ย แล้วก็มีการต่อตั้งความจำคือเด็กคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นแต่ไม่มีจำเนี่ยถามว่าทำได้หรือเปล่าแล้วก็ยกตัวยอย่างอะไรให้เขาฟังหลายประเด็นก็ถึงจังหวะที่รองปลรรัดกระทรวงศึกษาธิการดันจะพูดท่านก็เห็นด้วยนะฮะว่าต้องจำต้องมีสุจิปุลิ มันเป็นเรื่องธรรมดานะฮะแต่เราไม่จําเราก็คิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสัญญาขันเนี่ยคือการศึกษาที่จริงมาเกิดเกินคือการพัฒนาขันทั้งห้าไอ้เนื้อความจําเราไม่ได้ใช้ไอ้เกิดประโยชน์มันจะมีผลในการศึกษารเราเรียนได้ยังไงเพราะจะนั้อาการตรงนี้ทําให้เวทนามันออกมาออกมาเนี่ยออกมาจากเราจํำนะฮะถ้าเราไม่จําไว้เนี่ยเวทนาเมื่อก็ไม่เกิดเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็ไม่สุขหรอ สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสุขนั้นสิ่งที่เราต้องสัมผัสมาแล้วซัมซา ก, ก็ได้เห็นจนจําได้นะฮะได้ยินเสียงก็นึกได้ลและความรู้สึกจาเนี่ยมันจะปลุกกระแสะความคิดเดิมซึ่งเราเคยรับสุขรับทุกข์จากคนเหล่านี้มาเราก็จาหมดจําตัวรูปร่างหน้าตาปลุกกลิกกรรมดีความชั่วกับบุคลเรานั่นจำไม่หมดมันก็กลายเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เวทนา เวทนาเหล่านี้เราจําแนกไปตามประสาสัมผัสนะฮะจะแนกไปตามประสาสัมผัสก็เรียกว่าเป็นหกเรียกเป็นที่นะเรียกถึงที่เพราจักษุสัมผัสสัชาเวทนาความเสวยอารมณ์เพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยโสตสัมผัสสัชาเวทนาความเสวยอารมณ์เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยคานาสัมผัสสัชาเวทนาความเสวยอารมณ์เพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัย ชีวะสัมผัสจะชาวเวทนาความสวยอารมณ์ประชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วก็มโนสัมผัสจะชาวเวทนาความสวยอารมณ์เพราะจิตสัมผัสธรรมารมเป็นปัจจัยนั่นก็เราก็รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามที่เรากําหนดนะฮะคือการที่เป็นสุขเป็นทุกข์มันอยู่ที่มันเหมือนกับร่อยไม่ร่อยหอมไม่หอมเหม็นไม่เหม็นเนี้ยเนี้ยนันก็อยู่ที่ความรู้สึกของเราเมื่อาจะกําหนดมันยังไง ไปตามความชอบใจของเราทีนี้ความดับของเวทนาเนี่ยเราจะเห็นว่าเวทนาที่จริงมันเกิดดับเกิดดับมันเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขมันก็ปุลหมุนวนกันไปเรื่อยๆเกิดดับกันไปต่อเนื่องนั้นไม่มีเวทนาอะไรยั่งยืนถาวรคงที่ไม่แปรผัน ยามใดที่เกิดสุขเวทนายามนั้นก็ไม่เกิดทุกขเวทนายามใดที่เกิดทุกขเวทนายามนั้นไม่เกิดสุขเวทนายามใดที่เกิดอะทุกขมาสุขเวทนายามนั้นก็ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขเวทนาแต่การจะดับเวทนาอีกประการหนึ่งเนี่ยคือเราอย่าไปยึดมั่นถรือมั่นมันอย่ารู้สึกเวทนานี่เป็นเราหรือเรากําลังสวยเวทนาหรือเวทนาเป็นของเราหรือเราเป็นของเวทนาอย่าไปคิดมันก็สักแต่ว่าเวทนานี่ยมันก็ปวดก็ปวด มันไม่จะปวดคนเดียวแต่เราเนี่ยนะคนอื่นก็ปวดด้วยสบายมันก็สักแต่ว่าสบายนะประเดี๋ยวมันก็ไม่สบายแล้วก็ไม่ยึดมัน่นถือมั่นมันเพราะในการมองเนี่ยคือมองหลายอย่างมองเวทนาเป็นของศูนย์ไปเลยคือไม่มีอะไรที่จะไปเกอะกลุ่มไปยึดติตมองมันสักแต่ว่าเวทนาสักแตวเวทนา เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสุขก็สักแตว่สุขทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์อุทุกขมสุขก็สักแตว่าทุกขมสุขคือมันอยู่ทีกก่เราไปตีค่ามันเองเให้ลองสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องในเรื่องเดียวกันเนี่ยสมมุติเราเห็นรูปเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งรู้สึกดีใจคนหนึ่งรู้สึกเฉยเฉยคนหนึ่งรู้สึกไม่ชอบใจ ท, ทั้งๆมีรูปเดียวกันเสียงกรีดร้ก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะเวทนามันเกิดขึ้นจากการปรุงคิดคิดปรุงกับเราขึ้นมาเอง แล้วเกิดเป็นโทสะเกิดเป็นความสุขเกิดเป็นความทุกข์เกิดเป็นไม่ทุกข์ไม่สุขมันกเกิดขึ้นจากจิตเรบปรุงขึ้นมาเองมันทํายังไงจึงปล่อยมันไปพิธีปล่อยนั้นก็ทรงสอนโดยในต่างๆนะฮะเช่นสอนพระพายยะธรุจิริยะานี่สอนไม่ไม่ให้มาถึงเวทนาคือไปตัดเสียตั้งแต่ตั้งแต่ที่เกิดของมันหรือไม่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน เมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้ก็ไม่ได้รู้ไม่ได้ปรุงต่อจบลงตรงนั้นนั้นก็บคนเดินผ่านบ้านไปเนี่ยก็สักแต่ว่าคนเราไม่รับรู้เราไม่สนใจว่าจะเป็นใครจะเกี่ยวข้องอะไรกับเราเราไม่สนใจอะไรเขาก็ผ่านมาก็ผ่านไปก็เป็นปกติธรรมดาของเขาเขามาด้วยเหตุปัจจัยของเขาเขาเดินผ่านบ้านเราก็ด้วยเหตุปัจจัยของเขาะแล้วเขาก็จากไปก็ด้วยเหตุปัจจัยของเขาเราไม่ได้เกี่ยวอะไร อีกหนึ่งคือไปตัดตอนมาตั้งแต่โนู้นเลยตั้งแต่ได้สัมผัสตัวเวทนาเพื่อจะลืมว่าในแง่กระบวนการทางจิตแล้วเนี่ยมันมาจากยถาะภายในภายนอกเพราะก่อนที่จะเป็นเวทนาเนี่ยมันเป็นวิญญาณมาก่อนแล้วก่อนจะเป็นเอ่อเวทนามันเป็นสัมผัสมาก่อนแล้วจึงมาเกิดเป็นเวทนาเพราะถ้าสติเราแหลมคมมากพอเนี่ย เราก็สามารถสกัดให้หยุดจะได้ตั้งแต่ตอนผัวหัวมาสิ่งนั้นก็ตกไปจากจิตมันก็เกิดนั่นแหละแต่ว่าเมื่อเราไม่ไปปลุกพันเอาแม่วจิตไปยึดมั่นหรือมั่นมามันก็ตกไปจากจิตให้สามารถทำอะไรแกเราได้ซึ่งหลักการตรงนี้มันอยู่ที่การฝึ ก, กรือใช้สติให้ระลึกรู้เท่าทันถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ปล่อยวางความยึดมั่นหรือมั่นเอาไว้ ไม่ปรุงต่อไปหรือบางครั้งบางคราวเนี่ยเราประสบทุกเวทนามันก็สาหัสสาการพอสมควรนี่ย น, นะฮะแต่เราลองดูจริงๆว่าไม่มีใครประสบทุกเวทนาสาหัสที่สุดในโลกนี้มันไม่มีมันมีคนที่สาหัสกว่าสาหัสกว่าสาหัสกว่าอยู่อย่างพระโมคคราชเทระท่านต้องการจะสอนพระภิกษุให้รู้จักสมรวมระวัง ท่านไปนั่งอยู่กลางแดดจ้าเลยแดดอินเดียนร้อนสาหัสเลยนะฮะแล้วก็พระก็ไปบอกว่าแต่เท้านิมนต์ข้าไปนั่งข้างในนะงข้นอกร้อนท่านก็บอกว่าไฟนรกเนี่ยมันร้อนกว่านี้นะคุณนะเป็นการเตือนให้เห็นว่าไอ้ที่เราเราบอกว่าเราร้อนเนี่ยที่จริงมันมีร้อนกว่าร้อนกว่าก็มีร้อนกว่าร้อนกว่าก็มีร้อนกว่าร้อนกว่าก็มีร้อนกว่ามันมีร้อนที่สุดมันไม่เหนียวเพราะมันที่สุดมันก็มีที่สุดมากกว่านั่นอีก ในนรกอเวจีมานารกเองก็ร้อนไม่เท่ากันนะทั้งทั้งที่สุดสุดแล้วนะครับพวกเราก็เห็นว่าเวทนามันก็อย่างงั้นแหละเราประสบทุกข์กันมาเมื่อคนอื่นก็ทนได้เราก็ควรจะทนได้ประสบสุขกันมาเขาก็ไม่เห็นเดี๋ยวปีใจอะไรทําไมเราจะต้องเดี๋ยวปีใจเอาขนาดนี้นะฮะเอาขนาดนี้คือว่าในแง่ของความเป็นพระญาบุคคลเท่านั้นเอง ที่จะไม่หวั่นไหวไปกับแปรงเวียงของเวทนาไม่ว่าเวทนาจะปรากฏภาพลักษณ์มาเป็นยังไงก็ตามท่านก็มีความรู้เห็นตามความเป็นจริ ง, ส, งสมมติว่าสุขกเวทนาทุกกเวทนาทุกกะประสุกเวทนาเกิดขึ้นท่านก็รู้ว่าเวทนานี้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านแต่เวทนานี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลีย่ยนแปล ง, ปปลงไปเป็นธรรมดาเกิดก็เกิด ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ดับไปก็ดับไปแล้วก็จริงเนี่ยเราก็ไม่เป็นเวทนาเวทนาก็ไม่เป็นเราเราก็ไม่เป็นเวทนาเวทนาก็ไม่ได้มีอยู่ในเราจริงๆมันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่เราใจไปผูกโยงเอาไว้ด้วยความรู้สึกว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราพอถ้าหากว่าเราเข้าใจความจริงแล้วเวทนาทุกรูปแบบทุกรูปลักษ์ไม่ว่าในอยู่ที่ใดก็ตาม มันก็คือตกอยู่ในกฎของปัจจัยรักดังกล่าวคิดได้อย่างนี้เราก็สามารถดับเวทนาได้ในขณะนั้นนั้นแม้จะไม่ถึงดับทาวารก็จะสงบเย็นลงไปอีกมากท้าฟังทั้งหลายแต่หลวงพ่พุทธาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี